ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่60โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่60ให้คติธรรมว่าอย่าละห้อย ความหลังอย่ามัวหวังอนาคตในทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คิดถึงอดีตอดีที่ผ่านมาก็คือบทเรียนที่เราเรียนมาแล้วออมีบทหนักบทเบาที่ผ่านมาแล้วและอนาคตที่ยังไม่ถึงไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ขอให้พวกเราทำปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดถ้าหากว่าพวกเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเดี๋ยวอนาคตมันก็จะดีไปเองแต่ถ้าว่าเรามีแต่โมวหวังอนาคตว่าจะเป็นอย่างนว่าจะเป็นอย่างนี้อันนั้นคืออนาคตคือของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เราไม่รู้เพราะนั้นขอให้พวกเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดคิดดีทดําดีพูดดีในปัจจุบันในเมื่อเราคิดทําพูดดีแล้วอนาคตไม่ต้องคาดหวังดีไปทั้งหมดเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านอนดีตที่ผ่านมาก็คือบทเรียนบทเรียนราคาแพง เออหรือราคาถูกกระสุดแท้แต่ที่มันผ่านมาแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านจึงให้ความสําคัญปัจจุบันมากกว่าอาดีตเป็นบทเรียนอนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันมีคุณค่าพวกเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อปัจจุบันดีแล้วอนาคตไม่ต้อง พยากรหรือทานายทายทักดีไปตลอดวพรานั้นขอให้พวกเราทำดีคิดดีทำดีในปัจจุบันอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมการกล่าวคติธรรมแผนที่ห0สิบก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก ขอให้คุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านเทิญ